พระไตรปิฎกเล่มที่18บสังยุตตานิกายสลายยตนวัคเป็นสุดตันตปิฎกเล่มที่สิบพระไตปิฎกเล่มนี้ว่าด้วยเรื่องอายตนาหกคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจในชั้นแรกไม่จัดเป็นสังยุตแต่จัดเป็นหมวดห้าสิบคือปัณาสกะรวมสี่หมวด จากนั้นจึงจัดเป็นสังยุตรวมสิบสังยุตคือเวทนาสังยุตประมวลเรื่องเวทนาแสดงเรื่องเวทนาสองประการจนถึงเวทนา108ประการมาตุคามสังยุตประมวลเรื่องมาตุคามคือผู้หญิงชัมผุขาทกะสังยุตประมวลเรื่องปริภาชกชื่อชัมพุขาทกะผู้โตตอบกับพระสารีบุตร โมคลานะสังยุตประมวลเรื่องพระโมคลานะจิตตะคหาปฏิปุช้าสังยุตประมวลเรื่องคำถามของจิตตะคะเรหาบดตรีคามณิสังยุตประมวลเรื่องในบ้านคือผู้ปกครองหมู่บ้านมีชื่อต่างๆกันแสดงถึงการที่พระผู้มีพระภาคสั่งสอนในบ้านเหล่านั้นอสังคตะสังยุต ประมวลเรื่องอสังคตะคือสิ่งที่มิได้ถูกปัจจัยปรุงแต่งและอัพยกตะสังยุตประมวลเรื่องที่พระผู้มีพระภาคไม่ตรัสชี้ชัดคือเรื่องที่ไม่มีประโยชน์ทำให้โตเถียงกันปล่บเปล่าพระไตรปิฎกเล่มที่ส8บปดสังยุตตานิกายสลายตนาวัก นโมตสัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นอานิจจวัคหมดว่าด้วยสิ่งที่ไม่เที่ยงอัจฉตานิจจสูตรว่าด้วยอายตนะภายในไม่เที่ยง สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเขตกรุงสาวกทีตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายจักขุคือตาไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า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 และโดยในย่าเดียวกันว่าด้วยอายตนะภายในเป็นทุกข์จากขูคือตาโสตะคือหูขานะคือจมูกชิวหาคือลิ้นกายและมโนโคือใจทั้งหมดล้วนเป็นทุก์สิ่งใดเป็นทุก์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตา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 สิ่งนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราว่าด้วยอายตนะภายนอกไม่เที่ยงรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะและธรรมารมณ์ล้วนไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์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 และอนาคตล้วนเป็นทุกข์ไม่เที่ยงเป็นอนัตตาไม่ต้องกล่าวถึงตาหรือรูปเป็นต้นนั้นที่เป็นปัจจุบันอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมไม่เยื่อใ่ตาหรือรูปเป็นต้นนั้นที่เป็นอดีตไม่ยินดีตาหรือรูปเป็นต้นนั้นที่เป็นอนาคตยอมปฏิบัติเพื่อความเบื่อนนายเพื่อคลายกำนัดเพื่อดับจากขู่ คือตาหรือรูปเป็นต้นนั้นที่เป็นปัจจุบันยะมะกะวัว่าด้วยความดำริก่อนตรัสรู้เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อก่อนเราเป็นโพธิสัตว์ย่างไม่ได้ตรัสรู้ได้มีความคิดอย่างนี้ว่า อะไรเป็นคุณเป็นโทษเป็นเครื่องสลัดออกจกักจักขูป ค, คือตาโสตะคือหูคานะคือจมูกชิวหาคือลิ้นกายและมโนคือใจเรานั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าสภาพที่สุกสมนัตอาศัยจักขูปเป็นต้นนั้นเกิดขึ้นนี้เป็นคุณสภาพที่จักขูปเป็นต้นนั้น ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความปรผันเป็นธรรมดานี้เป็นโทษของจักขู่ธรรมะที่กำจัดชันทราคะธรรมะที่ละชันทราคะาในจักขู่เป็นต้นนั้นคือนิพพานนี้เป็นเครื่องสลัดออกจากอายตนะทั้งหกประการนั้นตราบใดเรายังไม่รู้คุณโดยความเป็นคุณโทษโดยความเป็นโทษและเครื่องสลัดออก โดยความเป็นเครื่องสลัดออกจากอายตนะภายในหกประการนี้ตามความเป็นจริงอย่างนี้ตราบนั้นเราก็ไม่ยืนยันว่าเป็นผู้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมอันหนึ่งญาณทัศนะเกิดขึ้นแกเราว่าวีมุตของเราไม่กำเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีก และโดยในยะเดียวกันอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นเครื่องสลัดออกจากรูปเสียงกลิ่นรสผลถัพ่พะและธรรมารมคืออายตนะภายนอกอกประการนี้สภาพที่สุขโสมนัสอาศัยรูปเป็นต้นนั้นเกิดขึ้นนี้เป็นคุณของรูปสภาพที่รูปเป็นต้นนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดา นี้เป็นโทษของรูปเป็นต้นนั้นธรรมะเป็นที่กำจัดชันธราคะธรรมะเป็นที่ละชันธราคะในอายตนะภายนอกอกประการนี้เป็นเครื่องสลัดออกเราได้เที่ยวแสวงหาคุณของจักขู่ได้พบคุณของจักขูแล้วคุณของจักขูมีประมาณเท่าใดเราเห็นคุณประมาณเท่านั้นดีแล้วด้วยปัญญา เราได้เที่ยวสแสวงหาโทษของจักขูได้พบโทษของจักขูแล้วโทษของจักขุมีประมาณโท่าใดเราเห็นโทษประมาณเท่านั้นดีแล้วด้วยปัญญาและโดยเนยะาเดียวกันในเรื่องของโสตะคือหูขานะจมูกชิวหาลิ้นกายและใจรวมทั้งหมดคืออายตนะภายในหกประการ และอายตนะภายนอกหกประการคือรูปเสียงกลิ่นรสปุภะและธรรมารมโดยสรุปคือเราได้เที่ยวสแสวงหาคุณได้พบคุณของอายตนะภายใน6ประการและอายตนะภายนอกหประการในแต่ละประการนั้นแล้วคุณของสิ่งเหล่านั้นมีประมาณเท่าใดเราเห็นคุณประมาณเท่านั้นดีแล้วด้วยปัญญา เราได้เที่ยวแสวงหาโทษของอายตนะภายในและอายตนะภายนอกแต่ละประการนั้นแล้วได้พบโทษของอายตนะภายในและอายตนะภายนอกแต่ละประการนั้นแล้วโทษนั้นมีประมาณเท่าใดเราเห็นโทษประมาณเท่านั้นดีแล้วด้วยปัญญาภิกษุทั้งหลายตราบใดเรายังไม่รู้คุณโดยความเป็นคุณโทษโดยความเป็นโทษ เครื่องสลัดออกโดยความเป็นเครื่องสลัดออกจากอายตนะภายในหกประการและอายตนะภายนอกหกประการนี้ตามความเป็นจริงเราก็ยังไม่ยืนยันว่าเป็นผู้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมว่าด้วยการปฏิเสธคุณของอายตนะภิกษุทั้งหลายถ้าคุณของจักขุ ค, คือตา จักไม่มีแล้วสัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงติดใจในจักขู่แต่เพราะคุลของจักขู่มีอยู่ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงติดใจในจักขู่ทัดโทษของจักขู่จักไม่มีแล้วสัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงเบื่อหน่ายในจักขู่แต่เพราะโทษของจักขู่มีอยู่ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงเบื่อหน่ายในจักขู่ ถ้าเครื่องสลัดออกจากจากขูจักไม่มีแล้วสัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงสลัดออกจากจากขูแต่เพราะเครื่องสลัดออกจากจากขู่มีอยู่ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงสลัดออกจากจากขูและโดยนัยะเดียวกันในเรื่องของโซตะคือหูคานะจมูกชิวหาคือลิ้นกายและมโนโคือใจ อายตนะภายในหกประการคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี้รวมถึงอายตนะภายนอกหกประการคือรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะและธรรมารมณ์ถ้าคุณของสิ่งเหล่านี้ไม่มีแล้วสัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงติดใจแต่เพราะมีคุณอยู่สัตว์ทั้งหลายจึงติดใจถ้าโทษในสิ่งเหล่านี้ไม่มีแล้ว สัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงเบื่อหน่ายในสิ่งเหล่านี้แต่เพราะโทษมีอยู่ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงเบื่อหน่ายถ้าเครื่องสลัดออกจากจากักขคูและรูปเป็นต้นนั้นจักไม่มีแล้วสัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงสลัดออกแต่เพราะเครื่องสลัดออกจากจักรุูและรูปเป็นต้นนั้นมีอยู่ฉะปป น, น, นั้นสัตว์ทั้งหลาย จึงสลัดออกจากตาแล้วรูปเป็นตนนั้นพิกสุทั้งหลายตราดใดสัตว์ทั้งหลายยังไม่รู้คุณโดยความเป็นคุณโทษโดยความเป็นโทษเครื่องสลัดออกโดยความเป็นเครื่องสลัดออกจากอายตนะภายในหกประการและภายนอกหกประการนี้ตามความเป็นจริงเมื่อนั้นสัตว์ทั้งหลายจะออกไปหลุดไป พลไปจากโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกรมโลกจากหมูสั์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์มีใจปราศจากแดนอยู่ไม่ได้เลยว่าด้วยผู้เพลิดเพลินอัยตนะภิกษุทั้งหลายผู้ที่เพลิดเพลินจากขูชื่อว่าเพลิดเพลินทุก ผู้ที่เพลิดเพลินทุกเรากล่าวว่าผลจากทุกไม่ได้และโดยในยะเดียวกันผู้ที่เพลิดเพลินโสตะคือหูขานะคือจมูกชิวหาคือลิ้นกายและมนโนคือใจชื่อว่าเพลิดเพลินทุกผู้ที่เพลิดเพลินทุกเรากาวว่าผลจากทุกไม่ได้ ผู้ที่เพลิดเพลินอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสปทภะและธรรมอารมณ์ชื่อว่าเพลิดเพลินทุกผู้ที่เพลิดเพลินทุกประกล่าว่าพ้นจะกทุกไม่ได้ส่วนผู้ที่ไม่เพลิดเพลินในอายตนะภายในในอายตนะภายนอกทั้งหกประการนั้นชื่อว่าไม่เพลิดเพลินทุก ผู้ไม่เพลิดเพลินทุกเรากล่าวว่าผลจักทุกได้ว่าด้วยความเกิดขึ้นแห่งทุกความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความบังเกิดความปรากฏแห่งจักขุนนี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกเป็นความตั้งอยู่แห่งโรคเป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะ ส่วนความดับความสงบระงับความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งจักขู่นี้เป็นความดับแห่งทุกเป็นความสงบระงับแห่งโรคเป็นความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งชราและมรณะและโดยในยะเดียวกันความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความบังเกิดความปรากฏแห่งตาหูจมูกลิ้นกายและใจรูป เสียงกลิ่นรสผดทะพะและธรรมารมณ์นี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกข์ความดับความสงบระงับความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งสิ่งเหล่านั้นนี้เป็นความดับแห่งทุกข์เป็นความสงบระงับแห่งโรคเป็นความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งชราและมรณะสภพวะ หมวดว่าด้วยสิ่งทั้งปวงเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอะไรเล่าชื่อว่าสิ่งทั้งปวงได้แก่จักหกคือตากับรูปโสตะกับสััทธคือหูกับเสียงขานะกับคันทะคือจมูกกับกลิ่นชิวหาคือลิ้นกับรสกายกับโหตภะะ การสัมผัสถูกต้องทางกายมโนคือใจกับธรรมารมณ์คืออารมณ์สิ่งที่ใจคิดใจนึกนี้เราเรียกว่าสิ่งทั้งปวงภิกษุทั้งหลายผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าจะบอกเลิกสิ่งทั้งปวงแล้วบัญญัติสิ่งอื่นแทนคำพูดของผู้นั้นคงเป็นเพียงคำพูดเท่านั้น ครั้นถูกถามเข้าก็คงตอบไม่ได้และถึงความลาบากอย่างยิ่งข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเขาถูกถามในสิ่งอันไม่ใช่วิสัยคือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ว่าด้วยธรรมะเพื่อละสิ่งทั้งปวงพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมะเพื่อละสิ่งทั้งปวง คือจักขุเป็นสิ่งที่กวนละรูปเป็นสิ่งที่กวนละจักขุวิญญาณจักขุสัมผัสแม้ความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นสิ่งที่กวนละโศตคานะชิวหากายละมโนก็เช่นเดียวกัน ว่าด้วยธรรมเพื่อรู้ยิ่งกําหนดรู้แล้วละสิ่งทั้งปวงภิกษุทั้งหลายธรรมคือธรรมะเพื่อรู้ยิ่งกําหนดรู้แล้วละสิ่งทั้งปวงคือจักผูเกเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิง่งกําหนดรู้แล้วละรูปเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งกําหนดรู้แล้วละ จากขุวิญญาณจากขุสัมผัสแม้ความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะจากขุสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งกาหนดรู้แล้วละและโดยในยะเดียวกันตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งกาหนดรู้แล้วละ บุคคลเมื่ อ, อยังไม่รู้ยิ่งไม่กำหนดรู้ไม่คลายกำหนัดไม่ละสิ่งทั้งปวงเป็นผู้ไม่ควรเพื่อความสิ้นทุกส่วนบุคคลเมื่อรู้ยิ่งกำหนดรู้คลายกำหนัดละสิ่งทั้งปวงได้เป็นผู้ควรเพื่อความสิ้นทุกสิ่งทั้งปวงนั้นคืออายตนะภายในหกและอายตนะภายนอกหก ได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะและธรรมารมณ์บุคคลเมื่อยังไม่รู้ยิ่งไม่กำหนดรู้ไม่คลายกำหนัดไม่ละสิ่งทั้งปวงเป็นผู้ไม่กวนเพื่อความสิ้นทุกข์สิ่งทั้งปวงคือจกักขุรูปจักขุวิญญาณ และธรรมะที sind, están, kan, life, en, tem, ่พึงรู้แจ้งทางจักปุวิญญาณโสตคือหูสัทธะคือเสียงโสตวิญญาณและธรรมะที่พึงรู้แจ้งทางโสตวิญญาณชิวหาคือลิ้นรสชิวหาวิญญาณและธรรมะที่พึงรู้แจ้งทางชิวหาวิญญาณกายผลทพะกายวิญญาณและธรรมะที่พึงรู้แจ้งทางกายวิญญาณ มโนคือใจธรรมารมณ์มโนวิญญาณและธรรมะที่พึงรู้แจ้งทางมโนวิญญาณบุคคลเมื่อรู้ยิ่งกำหนดรู้คลายกำหนัดละสิ่งทั้งปวงนี้แลได้เป็นผู้ควรเพื่อความสิ้นทุกข์ว่าด้วยสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อน สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณตาบลขยาศีสะริมฝั่งแม่น้ำขยาพร้อมกับภิกษุ 1, หนึ่งรูปณที่นั้นทรงแสดงเรื่องนี้ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนก็เอาไหเล่าชื่อว่าสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนคือจักขู่เป็นของร้อนรูปเป็นของร้อนจักขูวิญญาณจักขูสัมผัส แม้ความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะจากักขุดสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรเรากล่าวว่าร้อนเพราะไฟคือราคะเพราะไฟคือโทสะเพราะไฟคือโมหะร้อนเพราะชาติคือความเกิดเพราะชราเพราะโมรณะ เพราะโศกะความเศร้าโศกเพราะปริเทวะความกล่าครวนเพราะความทุกข์กายเพราะโทมนัตคือความทุกข์ใจและเพราะอุปายาตความขับแค้นใจและโดยในยะเดียวกันโสตสัทธะคือหูและเสียงชิวหาคือลิ้นและรสกายและโภทภะความสัมผัสถูกต้องทางกาย มโนคือใจและทำมมอารมณอารมณ์สิ่งที่ใจคิดใจนึกวิญญาณสัมผัสความสวยอารมณ์ของอายตนะแต่ละประการ น, นั้นเป็นของร้อนร้อนเพราะไฟกือราคะโทสะโมหะร้อนเพราะการเกิดแก่ตายเป็นต้นนั้นอริยาสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูป ย่อมเบื่อหนายแม้ในจักขูย่อมเบื่อหนายแม้ในจักขู่วิญญาณในจักขู่สัมผัสในเวทนาคือความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะจักขู่สัมผัสเป็นปัจจัยเป็นต้นนั้นเมื่อเบื่อไนยย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพน้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ชัดว่าหลุดพ้นแล้ว รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรมจรรธ์ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปครั้งนั้นภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีชื่นชมพระภาสิทธมีจิตหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมัน่นว่าด้วยสิ่งทั้งปวงเป็นของมืดมน พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวรุวันเกตกรุงราชคฤห์ทรงแสดงเรื่องสิ่งทั้งปวงเป็นของมืดมนคือจักขู่เป็นของมืดมนรูปเป็นของมืดมนจักขูวิญญาณเป็นของมืดมนจักขู่สัมผัสเป็นของมืดมนแม้เวทนาคือความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์เป็นต้นนั้นเพราะจักขู่สัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของมืดมน มืดมนเพราะอะไรมืดมนพระชาติเพราะชาา ม, มรณะโศกกระปริเทวะทุกโทมนัสและอุปาญาตและโดยนัยะเดียวกันอายตนะภายในและภายนอกวิญญาณสัมผัสและเวทนาจากการสัมผัสแต่ละประการนั้นก็เป็นของมืดมนมืดมนเพราะชาติชรามรณะ โศกปริเทวะทุกโทมนัสและอุปาญาตอาริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นว่าด้วยปฏิปทาอันสมควรแก่การเพิกถอนความกำหนดหมายความกำหนดหมายในที่นี้หมายถึงตัณหามานะและทิฏฐ ภิกษุในธรรมวินัยน <ấu> ี้ไม่กำหนดหมายจักขูไม่กำหนดหมายในจักขูไม่กำหนดหมายเพราะจักขูไม่กำหนดหมายว่าจักขูของเราไม่กำหนดหมายรูปไม่กำหนดหมายในรูปไม่กำหนดหมายเพราะรูปไม่กำหนดหมายว่ารูปของเราไม่กำหนดหมายจักขูวิญญาณ ไม่กำหนดหมายในจักขู่วิญญาณไม่กำหนดหมายเพราะจักขู่วิญญาณไม่กำหนดหมายว่าจักขู่วิญญาณของเราไม่กำหนดหมายจักขูสัมผัสไม่กำหนดหมายในจักขูสัมผัสไม่กำหนดหมายเพราะจักขูสัมผัสไม่กำหนดหมายว่าจักขูสัมผัสของเรา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 ไม่กำหนดหมายว่าความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะจากขบสัมผัสเป็นปัจจัยนั้นว่าเป็นของเราและโดยนัยยะเดียวกันคือไม่กําหนดหมายในอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจและอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตัณฑ์และธรรมอารมณ์ ไม่กำหนดหมายสิ่งทั้งปวงนั้นไม่กำหนดหมายในสิ่งทั้งปวงไม่กำหนดหมายเพราะสิ่งทั้งปวงไม่กำหนดหมายว่าสิ่งทั้งปวงของเราภิกษุผู้ไม่กำหนดหมายอยู่อย่างนี้ยอมไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกเมื่อไม่ถือมั่นย่อมไม่สะดุ้งกลัวเมื่อไม่สะดุ้งกลัวย่อมดับเฉพาะตนเองรู้ชัดว่าชาสิ้นแล้ว อยู่จบรมจรรย์ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปภิกษุทั้งหลายปฏิปทาอันสมควรแก่การเพิกถอนความกาหนดหมายทั้งปวงเป็นอย่างนี้แลว่าด้วยปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่การเพิกถอนความกาหนดหมาย เป็นสัพพายะหมายถึงมีประโยชน์ก่อให้เกิดความเจริญภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่กําหนดหมายจักขู่ไม่กําหนดหมายในจักขู่ไม่กําหนดหมายเพราะจักขู่ไม่กําหนดหมายว่าจักขู่ของเราไม่กําหนดหมายรูปไม่กําหนดหมายจักขู่วิญญาณจักขูสัมผัส ไม่กำหนดหมายเวทนาคือความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะจักขบสัมผัสเป็นปัจจัยไม่กำหนดหมายว่าสิ่งทั้งปวงนั้นเป็นของเราภิกษุกำหนดหมายสิ่งใดกำหนดหมายในสิ่งใดกำหนดหมายเพราะสิ่งใดกำหนดหมายว่าสิ่งใดของเราสิ่งนั้นย่อมเป็นโดยอาการอื่นจากที่กำหนดหมายนั้น คือสัตว์โลกคล่องอยู่ในภพมีความเปลี่ยนแปลงโดยอาการอื่นก็ยังยินดีพบอยู่นั่นเองภิกษุไม่กำหนดหมายแม้ขันธาตุและอายตนะเท่าที่มีอยู่ไม่กำหนดหมายในขันธาตุและอายตนะไม่กำหนดหมายแม้เพราะขันธาตุและอายตนะไม่กำหนดหมายว่าขันธาต และอายตนะนั้นของเราภิกษุผู้ไม่กําหนดหมายอยู่อย่างนี้ย่อมไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกเมื่อไม่ถือมัน่นก็ไม่สะดุ้งกลัวย่อมดับเฉพาะตนอยู่จบรมจ a j a ์ทํากิจที่ควรทําเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปภิกษุทั้งหลายปฏิปทาที่เป็นสัพเพะแก่การเพิกถอนความกําหนดหมายทั้งปวง เป็นอย่างนี้และทรงสแสดงปฏิปทาที่เป็นสัพพายะแก่การเพิกถอนความกําหนดหมายทั้งปวงอีกในยะหนึ่งภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรจากขูเที่ยงหรือไม่เที่ยงทูลตอบว่าไม่เที่ยงก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขทูลตอบว่าเป็นทุกข์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 ไม่ควรถือว่านั่นเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราอริยาสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจกักรุแม้ในรูปแม้ในจกักขุวิญญาณในจักขุสัมผัสย่อมเบื่อหน่ายแม้ในความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะจักขุูสัมผัสเ ป, เป็นปัจจัยเป็นต้นนั้นเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนั เพราะคลายกำนัดจิตย่อมหลุดพ้นรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบรมจรธรทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปปฏิปทาที่เป็นสัปไกยะแก่การเพิกถอนความกำหนดหมายทั้งปวงเป็นอย่างนี้แล